อานาปานาสติกะถาบัรนี้ถึงลำดับการแสดงการเจริญอาณาปานาสติกรรมฐานมีวัตถุส6หที่พระผู้มีพระภาคทรงสันเซินไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิแม่นี้และอันพระโยคียเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมะสงบประณีต เยือกเย็นและเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขและยังอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบระงับไปโดยพลันดังนี้แล้วทรงแสดงไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็อาณาปานาสติสมาธิอันประโยคขีอบรมแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นธรรมะสงบ ป, ประณีดเยือกเย็นและเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข และยังอกุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบระงับโดยพลันภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าหรือผู้อยู่ตามโคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างเปล่านั่งคูบันหลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า หมายเหตุผู้อ่านขอให้สังเกตนะครับว่าท่านบอกให้หายใจออกก่อนค่อยหายใจเข้าจาตุ ก, กะสี่วัตถุสิบหกจตุ ก, กะที่หนึ่งหนึ่งเธอหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวหรือหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว Risque, 2. เธอหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้นหรือหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้น 3. เธอสำเนีกว่าเราจะเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งปวงหายใจออกสำเนีกว่าเราจะเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งปวงหายใจเข้าสี่ สำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารทั้งปวงหายใจออกเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารทั้งปวงหายใจเข้าจะตุกักที่สองห้าสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ซึ่งปีติหายใจออกสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้รู้ซึ่งปีติหายใจเข้าห สำเนีกว่าเราจะเป็นผู้รู้ซึ่งสุกกายหายใจออกสำเนีกว่าเราจะเป็นผู้รู้ซึ่งสุกกายหายใจเข้าเจ็ดสเนีกว่าเราจะเป็นผู้รู้ซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกสำเนีกว่าเราจะเป็นผู้รู้ซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าแปดสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ระงับจิตตะสังขารหายใจออก สำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจเข้าจะตุกกะที่สามเก้าสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออกสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้า10บสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ยังจิตให้บันเทิงหายใจออก สำเนีกว่าเราจะเป็นผู้ยังจิตให้บ 11, ันเทิงหายใจเข้าส1อ็สำเนีกว่าเราจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนีกว่าเราจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าส2สองสำเนีกว่าเราจะเปลืองจิตหายใจออกสำเนีกว่าเราจะเปลืองจิตหายใจเข้าจะตุกักที่สี่ สิบสามสำเนีกว่าเราจกเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกสำเนีกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสิบสี่สำเนีกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายไปหายใจออกสำเนีกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายไปหายใจเข้าสิบห้า สำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสิหสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจออกสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจเข้าก็เพราะอาณาปานสติสมาธินั้น เมื่อกล่าวตามแนวของการพันนาพระบาลีนั่นแหละย่อมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงฉะนั้นในอธิการอนุว่าอาณาปานาสติสมาธินั้นจึงมีการแสดงอันมีการพันนาพระบาลีเป็นตัวนำดังต่อไปนี้ขยายความพระบาลีคำถามอันดับแรกพึงวินิจฉัยในพระบาลีคำถามว่า กระถังพาวิโตจะพิกเวอาณาปานสติสมาธิดังต่อไปนี้คำว่ากระถังนี้เป็นคำถามด้วยความเป็นผู้ใครเพื่อจะขยายอาณาปานสติสมาธิภาวนาให้พิสดารโดยประการต่างๆคำว่าพาวิโตจะพิกเวอาณาปานสติสมาธิ นี้เป็นคำทรงแสดงไขธรรมะที่ตรัสถามไว้ด้วยความเป็นผู้ใกล้เพื่อจะตรัสให้พิสดารโดยประการต่างๆแม้ในคำว่ากระถังพหูลีกโตเปอุปสเมตินี้ก็ในยะนี้เหมือนกันบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพาวิตโตนี้ได้แก่ให้เกิดขึ้นแล้วหรือจเจริญแล้ว บทว่าอาณาปานสติสมาธิได้แก่สมาธิที่สัมปยุทธ์ด้วยสติอันกําหนดเอาลมหายใจออกและลมหายใจเข้าหรือสมาธิในอาณาปานสติชื่อว่าอาณาปานสติสมาธิบทว่าพระหูลีกโตได้แก่ทําบ่อยๆ อ, อธิบายจากตุกะที่หนึ่ง คำว่าสันโตเจวะปณนีโตจะนี้ได้แก่สงบด้วยปราณีด้วยพึงทราบการกำหนดความด้วยเอวะสัพในสองบทพระองค์ทรงอธิบายววายอย่างไรทรงอธิบายไว้ว่าอันอานาปานสติสมาธินี้จะได้เป็นธรรมะสงบละปราณีโดยป ร, ริยายไรๆเหมือนอย่างอสุภกรรมฐาน ซึงสงบและปราณีโดยปฏิเวทอย่างเดียวแต่ไม่สงบและปราณีโดยอารมณ์เลยเพราะมีอารมณ์หยาบและมีสิ่งปฏิกูลเป็นอารมณ์หาไม่ได้โดยที่แท้เป็นธรรมะชื่อว่าสงบคือเข้าไปสงบดับสนิทเพราะทั้งสงบโดยอารมณ์เพราะทั้งสงบโดยองค์กล่าวคือปฏิเวทชื่อว่าปราณี คือไม่ทำให้เบื่อหน่ายเพราะทั้งปราณีตโดยอารมณ์เพราะทั้งปราณี ต, โ ด, ณตโดยองค์ดังนี้เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าอาณาปานสติสมาธินี้เป็นธรรมะสงบและปราณีตอธิบายอาเศจานโกก็ในบทว่าอาเศจานโกจะสุขโคจะวิหาโร นี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้เครื่องรถของสมาธินั้นไม่มีรถในที่นี้สะกดด้วยรอเรือดอเด็กนะครับเพราะเหตุนั้นสมาธินั้นชื่อว่าไม่มีเครื่องรถคือไม่ถูกตามรถไม่ปะปนเป็นแผนกหนึ่งโดยเฉพาะอธิบายว่าในสมาธินี้ไม่มีอาการสงบด้วยบริกรรมหรืออุปจาระ ความว่าจำเดิมแต่การกำหนดในเบื้องต้นย่อมสงบและปราณีตตามสภาวะของตนนั่นเองฝ่ายอาจารย์บางพวกกล่าวว่าบทว่าอเซจนโกความว่าไม่ต้องรดมีโอชาอร่อยตามภาวะนั่นเองพึงทราบว่าอานาปนสติสมาธินี้ ชื่อว่าไม่มีเครื่องรถดังกล่าวมาชนีชื่อว่าเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเพราะเป็นเพื่อสุขทางกายและสุขทางใจในขณะที่ถึงอัปปนาบทว่าอุปนุ ป, ปันเนได้แก่ที่ยังข่มไม่ได้แล้วบทว่าปาปเกแปลว่าลามกบทว่า กุษเลธรรมเมได้แก่ธรรมะอันเกิดแต่ความไม่ฉลาดบทว่าฐานาโสอันตราธาเปติความว่าย่อมอันตรธานไปคือข่มลงได้โดยขณะนั่นเองบทว่าบูปะเมติความว่าย่อมให้สงบไปด้วยดีอีกอย่างหนึ่ง เธอถึงความเจริญแห่งอริยามากโดยลำดับย่อมตัดขาดอธิบายว่าให้สงบระงับไปเพราะอาณาปานสาติสมาธิเป็นธรรมะมีส่วนตรัสรู้ได้ก็ในพระบาหลีนี้มีความสังเขปดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วด้วยประการใด ด้วยอาการไรด้วยวิธีไรทำให้มากด้วยประการไรจึงเป็นธรรมะสงบโดยแท้ให้เข้าไปสงบโดยพลันด้วยบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงอาธิบายความนั้นให้พิสดาลจึงตรัสว่าอิทัพพิกเวเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นคำว่าอิทัภิกเวพิกขุแปลว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ด้วยว่าอิทธะสัพในพระบาลีนั้นเป็นศัพ์แสดงถึงพระศาสนาอันเป็นที่ก่อเกิดแห่งบุคคลผู้ยังอนาปานาสติสมาธิมีประการทั้งปวงให้เกิดและเป็นการปฏิเสธความเป็นอย่างนั้นแห่งศาสนาอื่นสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสมณะ มีอยู่ในพระศาสนานี้เท่านั้นลัทธิอื่นว่างเปล่าจากสมณะทุกจำพวกเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าอิมัสมิงสาสเสนพิขุดังนี้เป็นต้นอธิบายเสนาสนะอันสมควรคำว่า อรัญญคัโตวารุขมูลคะโตว า, า, ตวาสุญญาคระโตวานี้เป็นคำแสดงการกำหนดนาสนาอันสมควรแก่การเจริญอาณาปาณสติสมาธิของพระโยคาวะจอนนั้นเพราะจิตของท่านซ่านไปในอารมณ์ต่า ง, างมีรูปารมณ์เป็นต้นตลอดกาลนานไม่ปรารถนาจะขึ้นสู่อารมณ์แห่งอาณาปณาาสติสมาธิ มัวแต่จะล่นออกไปนอกทางดังรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงล่นออกไปนอกทางฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เลี้ยงโครปรารถนาจะฝึกลูกโคโกงที่เติบโตขึ้นเพราะได้ดื่มน้ำน ม, มแม่โคโกงเขาจึงพรากมันจากแม่โคฝังหลักใหญ่เว้ข้างหนึ่งลามด้วยเชือกไว้ที่หลักนั้นครั้นแล้วลูกโคตัวนั้นของเขา ดินไปข้างโน้นข้างนี้เมื่อไม่อาจจะหนีไปได้ก็จะพิงหมอบอิงหรือนอนอิงหลักนั้นนั่นเองแม้ฉันใดแม้ภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อประสงค์จะฝึกจิตที่ชั่วร้ายอันเติบโตขึ้นเพราะดื่มรสอารมมีรูปปารลมเป็นต้นตลอดกาลนานก็พึงพากจากอารมมีรูปปารณมเป็นต้นเข้าไปสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างเปล่า และผูกไว้ที่หลักคือลมหายใจออกและลมหายใจเข้านั้นด้วยเชือกคือสติเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะดิ้นรนไปข้างโน้นข้างนี้เมื่อไม่ได้อารมณ์ที่เคยชินก็ไม่อาจจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ก็ยอมจะมอบและแอบอิงอารมณ์นั้นนั่นเองด้วยอํานาจอุปจาระและอัปปนา เพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่านรชนในโลกนี้จะฝึกลูกโคพึงผูกไว้ที่หลักฉันใดพระโยะคาวจรในศาสนานี้พึงผูกจิตของตนไว้ที่อารมณ์ให้มั่นด้วยสติฉันนั้นเถิดเสนาสนะนั้นย่อมเป็นสถานควรแก่การเจริญอาณาปานาสติสมาธิด้วยประการชนี้ เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าคําว่าอารัญยคโตวาไปสู่ป่าก็ตามเป็นต้นนี้เป็นคําแสดงการกําหนดเสนาสนะอันเหมาะสมแก่การเจริญอาณาปานาสติสมาธิของพระโยคาวจร น, นั้นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่อาณาปานาสติกรรมฐานนี้เป็นยอดในประเภทกรรมฐาน เป็นเหตุใกล้แห่งการบรรลุคุณในพิเศษและการอยู่เป็นสุขในภพปัจจุบันของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งปวงประโยคขาวจรที่ไม่ละจากละแวกบ้านอันอื้ออิงไปด้วยเสียงหญิงชายและช้างม้าเป็นต้นไม่เป็นการง่ายเลยที่จะเจริญอาณาปาณสติได้เพราะฌานมีเสียงเป็นฆาสึก แต่เป็นการง่ายที่พระโยคาวจรกำหนดเอากรมมัฐานนี้แล้วยังจะตุตถชาญอันมีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วทำชานั้นนั่นแหละให้เป็นบาทพิจารณาสังขารแล้วบรรลุพระอรหัสตเป็นผลเลิศในป่าซึ่งหาบ้านไม่ได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะอันเหมาะสม เกียพระโยคาวจรผู้เจริญอาณาปานาสติสมาธินั้นจึงตรัสว่าอรัญญะคโตวาอยู่ปากก็ตามดังนี้เป็นต้นพระศาสดาทรงชี้แนะพื้นที่จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเป็นดังอาจารย์ผู้ชำนาญดูพื้นที่ อาจารย์ผู้ชำนาญดูพื้นที่ที่จะสร้างเมืองพิจารณาดูตลอดแล้วชี้บอกว่าพวกท่านจงสร้างเมืองในพื้นที่นี้เถิดและเมื่อเมืองสำเร็จโดยสวัสดียอมได้รับสักการะใหญ่จากราชตรกูลฉันใดพระผู้มีพระภาคนั้นก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันทรงพิจารณาใกล้ค ร, ครวนดูเสนาสะนะอันเหมาะสมแก่พระโยคาวจอแล้วชี้ว่า พึงมันประกอบพระกรรมฐานในที่นี้แต่นั้นเมื่อพระโยคีมันประกอบกรรมฐานในที่นั้นโดยลำดับยอมได้รับสักการะใหญ่ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนอดังนี้ส่วนว่าภิกษุนี้ท่านกล่าวเป็นเหมือนเสือเหลืองพึงทราบอธิบายว่า เหมือนอย่างพญาเสือเหลืองใหญ่อาศัยพงหญ้าป่ารกหรือดงภูเขาในป่าแอบจับหมู่เนื้อมีกระบือป่ากวางและสุกรเป็นต้นชั้นใดภิกษุผู้ประกอบกรรมฐานอยู่ในเสนาสะนะอันเหมาะสมมีป่าเป็นต้นนี้ก็ย่อมยึดเอาโซดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักอรหัตมักตามลำดับฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าธรรมดาว่าเสือเหลืองย่อมคอยแอบจับหมู่เนื้อแม้ฉันใดพระพุทธบุตรประกอบความเพียรเจริญวิปัสสนานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเข้าสู่ป่าจึงยึดเอาผลอันสูงสุดเพราะฉะ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะป่า อันเป็นภูมิที่เหมาะสมแก่กำลังแห่งความบากบั่นของพระโยคหาวจรภิกษุนั้นจึงตรัสว่าอารัญญะคโตวาอยู่ป่าก็ตามดังนี้เป็นต้นอธิบายลักษณะป่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอารัญญะคโตได้แก่ไปสู่ป่าอันมีความสุข อันเกิดแต่ความสงัดเงียบอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาป่าซึ่งมีลักษณะดังกล่าวอย่างนี้ว่าที่ชื่อว่าป่าคือสถานที่เป็นภายนอกจากเสาเขื่อนออกไปทั้งหมดนั้นจัดเป็นป่าแล้วว่าเสนาสนะที่ชื่อว่าอยู่ในป่าคือสถานที่อันมีในที่สุดชั่วห้าร้อยคันธนูเป็นอย่างต่ำบทว่า รุกขมูลคัโตแปลว่าไปสู่ที่โคนไม้บทว่าสุญญาคารคกโตแปลว่าไปสู่โอกาสอันว่างคือสงัดก็ในพระบาลีบทนี้เว้นที่ที่เป็นป่าและโคนไม้เสียแม้จะไปสู่เสนาสนะที่เหลืออีกเจ็ดอย่างจะเรียกว่าผู้อยู่ในเรือนอันว่างเปล่าก็ควร อิริยาบถ ท, ที่สมควรพระผู้มีพระภาคครั้นทรงชี้นาสนาอันเหมาะสมแก่การเจริญอาณาปณสติอันสมควรแก่ฤ ด, ดูทั้งสามและสมควรแก่าธาตุและจริยาแก่พระโยคาวจอนอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงชี้อิริยาบถอันสงบอันไม่เป็นไปในฝ่ายหดหูและไม่เป็นไปในฝ่ายฟุ้งซ่านแก่พระโยคาวจอนั้น จึงตรัสว่านั่งดังนี้ลำดับนั้นเมื่อจะทรงแสดงการนั่งที่มั่นคงภาวะที่เป็นไปสะดวกหายใจออกเข้าและอุบายในการกำหนดอารมณ์จึงตรัสว่าคูบรลังดังนี้เป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าบัลังกังได้แก่การนั่งพับขาโดยรอบ บทว่าอาภูจิตวาแปลว่าคูเข้าบทว่าอุชุงกายยังปนิทายะแปลว่าตั้งร่างกายส่วนบนให้ตรงคือยังกระดูกสันหลังสิบแปดท่อนให้ที่สุดจะดกันเพราะเมื่อพระโยคาวจรนั่งอย่างนั้นหนังเนื้อและเอ็นย่อมไม่ตึงเมื่อเป็นอย่างนั้น เวทนาซึ่งมีการตึงแห่งหนังเนื้อและเอ็นเหล่านั้นเป็นปัจจัยที่จะพึงเกิดขึ้นทุกๆขณะแก่พระโยคาวจร น, นั้นก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเวทนาเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นจิตก็ย่อมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกรรมฐานย่อมไม่ตกถอยย่อมเข้าถึงความเจริญงอกงามขึ้นบทว่าปาริมุก ข, ขังสติงอุปัตฐเปตวา แปลว่าพึงตั้งสติให้บ่ายหน้าต่อพระกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งพึงเห็นความในคำนี้โดยในยะที่กล่าวในปฏิสัมพิทาอย่างนี้ว่าสับว่าปริมีปริคหะความกำหนดเป็นอัฏถะสับว่ามุขขังมีนิน ญ, ญาณนะความออกไปเป็นอัฏถะสับว่าสติ มีอุปทานะการตั้งมั่นเป็นอัตถะเหตุนั้นจึงตรัสว่าปริมุขขังสติงดังนี้ก็ได้ในปฏิสัมพิธานั้นมีความสังเขปดังนี้ว่าทรรมสติมีการออกจากปฏิปักษธรรมอันกำหนดแล้วดังนี้หายใจออกเข้า ต้องมีสติกำหนดบทว่าโสสโตวอัศ ส, สติสโตปัส ส, สติความว่าภิกษุนั้นนั่งอย่างนี้และตั้งสติไว้มั่นอย่างนี้แล้วเมื่อไม่ละสตินั้นชื่อว่ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าท่านอธิบายไว้ว่าเป็นสโตกาลี รรติบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงอาการอันเป็นเหตุให้ภิกษุนั้นได้ชื่อว่าสโตกาลีจึงตรัสคำว่าทีคังวาอัศ ส, สันโตคือหายใจออกยาวดังนี้เป็นต้นสมจริงดังคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาในวิพางแห่งปาฐะว่าโสสโตวะ อัศสติสโตปสัสสตินั้นนั่นและ ว, ว่าพระโยคาวจรย่อมเป็นผู้ชื่อว่าสโตการีด้วยอาการสามสิบสองอย่างเมื่อเธอรู้ชัดว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ่งซ่านด้วยอำนาจหายใจออกยาวอยู่สติย่อมตั้งมั่นเธอเป็นผู้ชื่อว่าสโตการีด้วยสตินั้นด้วยปัญญานั้น เมื่อเธอรู้ชัดภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจแห่งการหายใจเข้ายาวอยู่สติย่อมตั้งมั่นเธอย่อมเป็นผู้ชื่อว่าสโตกาลีด้วยสตินั้นด้วยปัญญานั้นเมื่อเธอรู้ชัดว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจออกอยู่ ด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจเข้าอยู่สติย่อมตั้งมั่นเธอเป็นผู้ชื่อว่าสโตกาลีด้วยสตินั้นด้วยปัญญานั้นดังนี้อธิบายอัศสาสะปัสสาสะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าที่คังวา อัศ ส, สันโตได้แก่หรือเมื่อหายใจออกยาวในอัถกถาพระวินัยกล่าวไว้ว่าบทว่าอั ส, สาโสได้แก่ลมหายใจออกบทว่าปัสาโสได้แก่ลมหายใจเข้าแต่ในอัถกถาพระสูตรทั้งหลายตรงกันข้ามในลมสองอย่างนั้น ในเวลาที่สัตว์ทั้งปวงอยู่ในคันออกจากท้องมารดาอันดับแรกลมภายในออกมาภายนอกที่หลังลมภายนอกพาเอาธุลีละเอียดเข้าไปภายในจะรดเพดานแล้วก็ดับอันดับแรกบัณฑิตพึงทราบลมอสสาสะปัสสาสะอย่างนี้อันหนึ่งพึงทราบภาวะที่ลมอสสาสะหรือปัสสาสะเหล่านั้นยาวและสั้น โดยระยะการเหมือนอย่างว่าน้ำหรือทรายที่ตั้งแผ่ไปตลอดเนื้อที่ที่ว่างเขาก็เรียกว่าน้ามากสายกว้างน้ำหรือทรายที่ตั้งแผ่ออกไปตลอดระยะว่างน้อยหรือเวลาน้อยเขาก็เรียกว่าน้ำน้อยสายแคบชั้นใดลมหายใจออกและลมหายใจเข้าแม้จะละเอียดและแสนจะละเอียดก็เช่นกัน ลมในร่างช้างและร่างงูค่อยๆยังส่วนที่ยาวกล่าวคืออัตภาพของสัตว์เหล่านั้นให้เต็มแล้วค่อยๆ อ, ออกมาเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ายาวลมหายใจออกและเข้ายังส่วนที่สั้นกล่าวคืออัตภาพของสุนัขและกระต่ายเป็นต้นให้เต็มเร็วแล้วออกก็เร็วเช่นกันเพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่าสั้นลมหายใจของมนุษย์แต่ในพวกมนุษย์บางพวกหายใจออกและหายใจเข้ายาวโดยกินระยะเวลานานดังช้างและงูเป็นต้นบางพวกก็หายใจออกและหายใจเข้าสัน้นดังสุนัขและกระต่ายเป็นต้นเพราะเหตุนั้นลมหายใจเหล่านั้นของสัตว์เหล่านั้น เมื่อออกและเข้ายาวด้วยอำนาจการพึงทราบว่ายาวเมื่อออกและเข้าสัน้นชั่วเวลานิดหน่อยด้วยอำนาจการก็พึงทราบว่าสัน้นรู้สึกโดยอาการก้าวในลมหายใจออกและหายใจเข้าเหล่านั้นภิกษุนี้เมื่อหายใจออกและหายใจเข้าเข้ายาว ยอมรู้ว่าเราหายใจออกหายใจเข้ายาวด้วยอาการก้าวก็เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนั้นพึงทราบว่าสติปัฏฐานภาวนาส่วนกายานุปัสสนายอมสำเร็จโดยอาการหนึ่งดังท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาว่าอย่างไรภิกษุเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวคือหนึ่งระบายลมหายใจออกยาวในการที่นับว่ายาว 2. สูดลมหายใจเข้ายาวในการที่นับว่ายาวสเธอสูดเข้าก็ดีประบายออกก็ดีซึ่งลมหายใจออกและลมหายใจเข้ายาวในการที่นับว่ายาว 3. เธอสูดเข้าก็ดีระบายออกก็ดีซึ่งลมหายใจออกและลมหายใจเข้ายาวในการที่นับว่ายาวเมื่อเธอสูดเข้าก็ดีระบายออกก็ดีซึ่งลมหายใจเขา้าและลมหายใจออกยาวในการที่นับว่ายาวความพอใจย่อมเกิด 4. ด้วยอำนาจความพอใจจึงระบายลมหายใจออกยาว ซึ่งละเอียดยิ่งไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาวหาด้วยอำนาจความพอใจจึงสูดลมหายใจเข้ายาวซึ่งละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านั้นในการที่นับว่ายาว 6. ด้วยอำนาจความพอใจจึงระบายลมหายใจออกยาวบ้างสูดลมหายใจเข้ายาวบ้างซึ่งละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ในการที่นับว่ายาวเมื ar e ่อระบายลมหายใจออกยาวบ้างสูดลมหายใจเข้ายาวบ้างซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาวด้วยอำนาจความพอใจความปลื้มย่อมเกิดเจดด้วยอำนาจความปลื้มจึงระบายลมหายใจออกยาวซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาวด้วยอำนาจความปลื้ม จึงสูดลมหายใจเข้ายาวซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาวแด้วยอํานาจความปลืม้มจึงระบายลมหายใจออกยาวบ้างสูดลมหายใจเข้ายาวบ้างซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาวเกเมื่อระบายลมหายใจออกยาวบ้าง สูดลมหายใจเข้ายาวบ้างซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในการที่นับว่ายาวด้วยอำนาจความปลืม้มจิตย่อมหมุนกลับจากการหายใจออกเข้ายาวความวางเฉยย่อมตั้งมั่นด้วยการหายใจออกเข้ายาวด้วยอาการก้าวอย่างเหล่านี้จัดเป็นกายความปรากฏจัดเป็นสติ ปฏิปทาเครื่องตามเห็นจัดเป็นญาณกายเป็นเพียงการปรากฏไม่ใช่ตัวสติสติเป็นเครื่องปรากฏและตัวสติเครื่องระลึกภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปฐานภาวนาคือการตามเห็นกายในกาย แม้ในบทที่กำหนดด้วยลมหายใจออกสั้นก็ในยะนี้เหมือนกันส่วนความแปลกดังต่อไปนี้คือเหมือนอย่างในบทที่กำหนดด้วยลมหายใจออกเข้ายาวในการที่นับว่ายาวนั้นท่านกล่าวว่าหายใจออกยาวในการที่นับว่ายาวชันใดแม้ในบทที่กำหนดด้วยลมหายใจออกสั้นนี้ก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่าหายใจออกสั้น ในการที่นับว่านิดหน่อยเพราะเหตุนั้นพึงประกอบด้วยสามารถแห่งลมหายใจออกเข้าสั้นจนถึงคำว่าด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสติปทานภาวนาคือการตามเห็นกายในกายพระโยคาวะจอนนี้เมื่อรู้ชัดลมหายใจออกเข้าโดยอาการเหล่านี้ด้วยสามารถระยะกาลนาน และโดยสามารถระยะการนิดหน่อยอย่างนี้พึงทราบว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวเป็นต้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นก็แลเมื่อภิกษุนั้นรู้อย่างนี้ลมทั้งสี่ชนิดคือลมหายใจออกยาวและสั้นรวมเป็นสองแม้ลมหายใจเข้าก็เช่นกัน รวมเป็นสองย่อมเกิดเฉพาะที่ปลายจมูกของภิกษุเท่านั้นอธิบายสัพพกายะปฏิสังเวทีคำว่าเธอย่อมสำเนียกว่าเพราะจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจออกหายใจเข้านี้มีอธิบายว่า พระโยคาวะจอนภิกษุย่อมสำเนียกว่าเรจาจะทำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดกองลมอัสสาวะทั้งสิ้นให้แจ่มแจ้งคือทำให้ปรากฏจากหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเรจาจะทำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกองลมปัสสาสะทั้งสิ้นให้แจ่มแจ้งคือให้ปรากฏจากหายใจเข้า ประโยคขาวาจอนเมื่อกระทําให้แจมแจ้งคือทําให้ปรากฏอย่างนี้ย่อมหายใจออกและหายใจเข้าด้วยจิตที่เป็นญาณสัมปยุตเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะหายใจออกเราจะหายใจเข้าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดปรากฏบางรูป จึงอยู่สำหรับภิกษุบางรูปในกองลมหายใจออกหรือกองลมหายใจเข้าที่สร้างไปอย่างละเอียดย่อมปรากฏแต่เบื้องต้นส่วน่้ำกลางและที่สุดไม่ปรากฏเธอก็อาจกำหนดเฉพาะเบื้องต้นเท่านั้นย่อมลำบากในท้ำกลางและที่สุดบางรูปปรากฏแต่่้ำกลางส่วนเบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏบางรูปปรากฏแต่ที่สุด ส่วนเบื้องต้นและถ้ำกลางไม่ปรากฏเธอก็อาจเพื่อกำหนดเฉพาะแต่ที่สุดเท่านั้นย่อมลำบากในเบื้องต้นและถ้ำกลางบางรู ป, ปรากฏทั้งหมดเธอย่อมกำหนดได้ทั้งหมดไม่ลำบากในส่วนไหนๆเพื่อแสดงว่าพึงเป็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอัศศิสามิจนถึง ปัสสีสมีติสิกขติติบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสิกขติความว่าย่อมเพียนคือพยายามอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งบัณฑิตพึงทราบอธิบายในบทนี้อย่างนี้ว่าการสํารวมของภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นอันใดการสํารวมนี้จัดเป็นอธิศิลาสิกขา ในบรรดาสิกขาสามนี้สมาธิของภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นอันใดสมาธินี้จัดเป็นอธิจิตตสิกขาปัญญาของภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นอันใดปัญญานี้จัดเป็นอธิปัญญาสิกขารวมความว่าสิกขาสามเหล่านี้ประโยคขี่ย่อมศึกษาย่อมเสพย่อมเจริญย่อมทำให้มากด้วยสตินั้น ด้วยมณสิการนั้นในอารมณ์ต้องพยายามเพื่อให้หยานเกิดในบรรดาในยะทั้งสองนั้นเพราะเหตุที่ในยะแรกประโยคขาวจรพึงหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวเท่านั้นและไม่พึงทำกิจอะไรอะไรอื่นแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปเธอควรกระทำความเพีย ในการยังยานให้เกิดขึ้นเป็นตน้นฉะนั้นพึงทราบว่าพระองค์ตรัสพระบาลีโดยเป็นปัจจุบันการว่าอสสามีติปชานาติปัสสามีติปชานาติรู้ชัดว่าเราหายใจออกรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าดังนี้เพื่อจะทรงแสดงอาการมีการยังยานให้เกิดขึ้นเป็นตน้น ซึ่งจำต้องทำตั้งแต่นี้ไปจึงยกพระบาลีด้วยอำนาจอนาคตการโดยในยะมีอาธิว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอัศสิทสามิเราจากเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจออกดังนี้อธิบายปัตสัมภยังกายะสังคารัง คำว่าเธอสำเนียกว่าเราจากเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเข้าความว่าเธอยอมสำเนียกว่าเมื่อเราทำกายสังขารที่หยาบให้สงบให้ระงับให้ดับให้เข้าไปสงบจากหายใจออกจากหายใจเข้าดังนี้อาการหยาบและละเอียดสงบ ในข้อนั้นพึงทราบภาวะอัศาสาและปัสสาหยาบละเอียดและสงบดังต่อไปนี้จริงอยู่ในการก่อนคือในการที่ยังมิได้กำหนดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุนี้ยังเป็นกายจิตที่ยังมีความกระวนกระวายยังหยาบเมื่อภาวะที่กายและจิตหยาบไม่สงบระงับแม้ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า ก็ยังจัดว่าเป็นของหยาบคือเป็นไปอย่างแรงกล้าจมูกไม่พอหายใจต้องยืนหายใจทั้งออกทั้งเข้าทั้งปากแต่เมื่อใดทั้งกายทั้งจิตของเธอถูกกำหนดแล้วเมื่อนั้นลมหายใจออกเข้าเหล่านั้นย่อมสงบเมื่อกายและจิตสงบแล้วลมหายใจออกและเข้าก็ย่อมเป็นไปละเอียด ย่อมถึงอาการคือภาวะที่จำต้องวิจัยว่ามีอยู่หรือไม่มีหนอเปรียบเสมือนเมื่อคนแล่นลงจากภูเขาหรือปรงภาระหนักลงจากศีรษะยืนอยู่ลมหายใจออกเข้าย่อมหยาบจมูกไม่พอหายใจต้องยืนหายใจออกและเข้าทางปากแต่เมื่อใดเขาบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยนั้นแล้วอาบและดื่มแล้ว เอาผ้าเปียกวางไว้ตรงหัวใจนอนพักที่ร่มไม้อันเยือกเย็นเมื่อนั้นลมหายใจออกเข้าเหล่านั้นของเธอย่อมค่อยละเอียดลงซึ่งถึงอาการคือภาวะที่จะต้องวิจัยว่ามีหรือไม่มีเนาแม้ฉันใดในการก่อนคือในการที่ยังไม่กำหนดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุนี้ย่อมถึงอาการคือภาวะที่จะต้องวิจัยว่า มีหรือไม่มีหนอก็ฉันนั้นเหมือนกันข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะเป็นความจริงในการก่อนคือในการที่ยังไม่ได้กำหนดเธอไม่ต้องมีความคำนึงความรวบรวมใจความใส่ใจและพิจารณาว่าเราะจะระงับกายสังขารที่หยาบๆยาบแต่ในการที่กำหนดย่อมมีเพราะเหตุนั้น กายสังขารของเธอในการที่ได้กำหนดจึงละเอียดกว่าเวลาที่ยังไม่ได้กำหนดเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อกายและจิตกระสับกระส่ายกายสังขารย่อมเป็นไปเกินประมาณคือหยาบเมื่อกายและจิตไม่กระสับกระส่ายกายสังขารย่อมเป็นไปละเอียด ลมหยาบและละเอียดเป็นชั้นๆั้นแม้ในการกำหนดกายสังขารยังจัดว่าหยาบในอุปจาระแห่งปฐมฌานจัดว่าละเอียดแม้ในอุปจาระแห่งปฐมฌานนั้นก็ยังจัดว่าหยาบในปฐมฌานจัดว่าละเอียดในปฐมฌานและในอุปจาระแห่งทุติยฌาน ก็ยังจัดว่าหยาบในทุติยชาญจัดว่าละเอียดในทุติยชาญและในอุปจาระแห่งตติยชาญจัดว่าหยาบในตติยชาญจัดว่าละเอียดในตติยชาญและในอุปจาระแห่งจตุทถาชาญจัดว่าหยาบในจตุทถาชาญเองจัดว่าละเอียดอย่างยิ่งถึงความไม่เป็นไปทีเดียว รวมความว่านี้เป็นมติของอาจารย์ผู้กล่าวทีฆนิกายและสังยุตตนิกายก่อนมติในมัชฌิมนิกายฝ่ายอาจารย์นักมัชฌิมนิกายปรารถนาละเอียดยิ่งกว่านั้นแม้ในอุปจาระแห่งฌานสูงสูงกว่าฌานชั้นต่ำอย่างนี้ว่าในปฐมฌานหยาบ ในอุปจาระแห่งทุติยาชาละเอียดแต่โดยมติของอาจารย์ทั้งหมดด้วยกันคงได้ความว่ากายาสังขารที่เป็นไปในการที่ยังไม่ได้กำหนดย่อมสงบระงับในการที่ได้กำหนดกายาสังขารที่เป็นไปในการที่กำหนดย่อมสงบระงับในอุปจาระ แ, แห่งปฐมฌานเป็นต้นกายาสังขารที่เป็นไปในอุปจาระแห่งจตุทาาัฌาน ย่อมระ ง, งับในจตุททตชาดังนี้แลนี้เป็นในยะในสมถะเป็นอันดับแรกในยะทางวิปัสสนาส่วนในวิปัสสนากายสังขารที่เป็นไปในการไม่ได้กำหนดหยาบในการกำหนดมหาภูตรูปละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบ ในการกำหนดอุปทายรูปละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในการกำหนดรูปทั้งสิ้นละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในการกำหนดอรูปละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในเวลากำนดรูปและนามที่ละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในเวลากำหนดปัจจัยละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบ ในเวลากำหนดนามรูปพร้อมด้วยปัจจัยละเอียดแม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบในวิปัสสนาอันมีลักษณะเป็นอารมณ์ละเอียดในวิปัสสนาที่มีกำลังอ่อนจัดว่าหยาบในวิปัสสนาอันมีกำลังจัดว่าละเอียดในวิปัสสนานั้นพึงทราบความสงบระงับกายสังขารอันเป็นไปในการก่อนๆด้วยการตอนหลังๆ โดยในยะที่กล่าวแล้วในการก่อนนั้นนั่นแหลพึงทราบภาวะที่กายสังขารหยาบละเอียดและสงบระงับในคำว่าปัสสัมภยังกายสังขารังอัศ ส, สิสามิปสัสสิสามินี้โดยประการดังกล่าวแล้วนี้มติในปฏิสัมพิธามัก ส่วนในปฏิสัมพิธาท่านกล่าวความข้อนั้นพร้อมด้วยคาประท้วงและคําเฉลอยอย่างนี้ว่าภิกษุย่อมสาเนียกว่าเราจะเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเข้าอย่างไรกายสังขารเป็นฉไหนคือธรรมะทั้งหลายซึ่งเป็นไปในกองลมหายใจออกและหายใจเข้ายาวอันนี้เป็นธรรมะเกี่ยวเนื่องด้วยกาย ภิกษุทำกายสังขารเหล่านั้นให้ระงับคือให้ดับให้เข้าไปสงบชื่อว่าย่อมสำเนีกสำเนีกว่าเราจากระงับกายสังขารที่เป็นเหตุให้กายโยกโคลงโอนเอ็นสายสารวันไว้ไปมาหายใจออกสำเนีกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนีกว่าเราจะระงับกายสังขาร อันสงบอันละเอียดที่เป็นเหตุให้กายไม่โยกโครงไม่โอนไม่เอน็นไม่สายไม่หวั่นไม่ไหวหายใจออกหายใจเข้าในยะว่าภิกษุเมื่อสำเนีกดังกล่าวมาชนนี้ชื่อว่าย่อมสำเนีกว่าเราจักยังกายสังขารให้สงบหายใจออกย่อมสำเนีกว่าเราจักยังกายสังขารให้สงบหายใจเข้า เมื่อเป็นดังนั้นการอบรมจิตเพื่อวาตุประลัติคือการกําหนดลมก็ดีเพื่อลมหายใจออกและเข้าก็ดีเพื่ออานาปนสติสมาธิก็ดีย่อมไม่สําเร็จได้และบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ได้เข้าสมาบัติทั้งไม่ได้ออกจากสมาบัตินั้นเหมือนอย่างไรเหมือนอย่างเมื่อกลางสดานถูกเคาะแล้ว เสียงหยาบย่อมเป็นไปครั้งแรกจิตก็เป็นไปได้เพราะกาหนดนิมิตแห่งเสียงได้ง่ายเพราะทํานิมิตแห่งเสียงหยาบไว้ในใจได้ง่ายเพราะทรงจํานิมิตแห่งเสียงหยาบได้ง่ายแม้เมื่อเสียงหยาบดับแล้วหลังนั้นถัดไปเสียงละเอียดก็ยังเป็นไปจิตก็เป็นไปได้เพราะกําหนดนิมิตแห่งเสียงละเอียดได้ดี เพราะยังทำนิมิตแห่งเสียงละเอียดไว้ในใจได้ดีเพราะทรงจำนิมิตแห่งเสียงละเอียดได้ดีแม้เมื่อเสียงละเอียดดับแล้วหลังจากนั้นไปจิตก็ยังเป็นไปได้แม้เพราะนิมิตแห่งเสียงละเอียดเป็นอารมณ์แม้ฉันใดลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่หยาบก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะกำหนดนิมิตแห่งลมหายใจออก หายใจเข้าที่หยาบได้ง่ายเพราะทำนิมิตแห่งลมหายใจเข้าที่หยาบไว้ในใจได้ง่ายเพราะสังเกตนิมิตแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่หยาบได้ง่ายเมื่อลมหายใจออกหายใจเข้าที่หยาบดับแล้วหลังจากนั้นลมหายใจออกหายใจเข้าที่ละเอียดก็ยังเป็นอยู่จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะกําหนดจับนิมิตได้ด้วยดี เพราะใส่ใจนิมิตได้ด้วยดีเพราะทรงจำนิมิตได้ด้วยดีแม้เมื่อลมหายใจออกหายใจเข้าที่ละเอียดดับไปแล้วหลังจากนั้นจิตก็ไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้เพราะยังมีนิมิตแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่ละเอียดเป็นอารมณ์เมื่อเป็นดังนี้การอบรมจิตเพื่อวาตุประลัษิเพื่อลมหายใจออกเข้าก็ดี เพื่ออาณาปานาสติก็ดีเพื่ออาณาปานาสติสมาธิก็ดีย่อมสาเร็จได้และสมาบัตินี้นั้นผู้เป็นบัณฑิตย่อมเข้าบ้างย่อมออกบ้างลมหายใจออกลมหายใจเข้าจัดเป็นกายความปรากฏจัดเป็นสติปัญญาเครื่องตามเห็นจัดเป็นญาณกายจัดเป็นเครื่องปรากฏ ไม่ใช่ตัวสติสติเป็นตัวปรากฏทั้งเป็นตัวสติด้วยพระโยคาวจรยยอมตามเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการเจริญสติปัฏฐานคือปัญญาเครื่องตามเห็นกายในกายนี้เป็นการพนานาเฉพาะบทตามลำดับแห่งจตุกะที่หนึ่ง ซึ่งท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจกายานุปัสสนาในอาณาปานาสติกถานี้เป็นอันดับแรกก็เพราะเหตุในจตุกะทั้งสี่เหล่านี้จตุกะนี้เท่านั้นท่านกล่าวด้วยสามารถกรรมฐานของพระโยคาวาจรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรส่วนสามจตุกะนอกนี้ท่านกล่าวไว้ด้วยสามารถเวทนานุปัสสนานี้จิตตานุปัสสนา และธรรมานุปัสสนาของพระโยคาวจรผู้บรรลุฌานแล้วในจตุกะที่หนึ่งนี้ฉะนั้นกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรประสงค์จะบำเพ็ญกรรมฐานนี้แล้วบรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิธาด้วยวิปัสสนาอันมีฌานที่สี่ซึ่งมีลมหายใจออกเข้าเป็นอารมณ์เป็นเหตุใกล้พึงทำกิจทุกอย่าง มีการชำระศีลให้บริสุทธิ์เป็นต้นโดยนัยยะดังกล่าวแล้วในก่อนนั่นแหละแล้วพึงกำหนดกรรมฐ า, านอันประกอบด้วยสนธิห้าประการในสำนักของพระอาจารย์มีประการดังกล่าวแล้วในอธิการอนวุวาด้วยกรรมฐ า, านอันประกอบด้วยสนธิห้าประการนั้นสนธิห้าเหล่านี้คือหนึ่งอุขะหะ การเรียนคือการกำหนด 2. ปริปุจชาการสอบถาม 3. อุปฐานความปรากฏ 4. อัปปนาความแนบแน่นและ 5. ลักขณะเครื่องหมายในสนทิ5นั้นการเรียนพระกรรมฐานชื่อว่าอุคะหะ การสอบถามพระ ก, กรรมฐานชื่อว่าปริปุชขาความปรากฏแห่งพระ ก, กรรมฐานชื่อว่าอุปฐานความแน่วแน่แห่งกรรมฐานชื่อว่าอัปปนาความกำหนดหมายมีอธิบายว่าการทรงจำสภาวะแห่งกรรมฐานว่ากรรมฐานนี้มีลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าลักษณะ ผลของการเรียนสนทิห้าเมื่อพระโยคหาวจรกำหนดกรรมฐานอันประกอบด้วยสนทิห้าประการดังพันานามาชนี้แม้ตนเองก็ไม่ต้องลำบากแม้อาจารย์ก็ไม่ต้องรบกวนท่านเพราะเหตุนั้นพระโยคหาวจรพึงให้อาจารย์บอกแต่น้อยสาธยายสิ้นเวลานา น, านแล้วกำหนดกรรมฐาน อันประกอบด้วยสนธิห้าประการอย่างนี้อยู่ในสำนักอาจารย์หรือในเสนาสนะซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในก่อนตัดปริโภคเล็กๆน้อยๆเสียทำพัฒกิจเสร็จแล้วบรรเทาความเมาในพัดคืออาหารแล้วนั่งอย่างสบายทำจิตให้ร่าเริงด้วยการระลึกเนืองๆถึงคุณพระรัตนไตรจำได้แม่นยำแม้บทเดียวก็ไม่เคลื่อนคลาด จากข้อที่เรียนมาจากอาจารย์พึงมนาสิการอานาปานสติกรรมฐานนี้เถิดวิธีมนาสิการแปดอย่างนี้เป็นวิธีมนาสิการในานาปานสติกรรมฐานนั้นคือวิธีที่หนึ่งคันานนนาการนับวิธีที่สอง อนุพันธนาการติดตามวิธีที่สามพุสนาการถูกต้องวิธีที่สี่ถัปปนาการตั้งจิตมั่นวิธีที่ห้าสัลกนาการกำหนดหมายได้ชัดวิธีที่หกวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เจ็ด ปาริสุทธิ์การหมดจดวิธีที่8ปเตสังปฏิปัสนาการย้อนดูวิวัตนาคือมรรคและปริสุทธิ์คือผลเหล่านั้นอธิบายวิธีมณสิการบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าขันน า, นาได้แก่การนับนั่นเอง บทว่าอนุพันธนาได้แก่การติดตามไปบทว่าพุสนาได้แก่ที่ที่ลมกระทบบทว่าถัปปนาได้แก่อปปนาบทว่าสัลลัคนาได้แก่วิปัสนาบทว่าวิวัตนาได้แก่มรรคบทว่าปาริสุทธิได้แก่ผล และบทว่าเตสังปฏิปัสนาได้แก่ปัจเจเวคขณะยานอธิบายขณะนาวิธีนับในวิธีมนาศิการเหล่านั้นกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียร น, นี้ควรมนาศิการกรรมฐานนี้ด้วยวิธีนับก่อนก็แลเมื่อจะนับ ไม่พึงนับหยุดต่ำกว่าห้าไม่พึงนับเลยสิบขึ้นไปไม่พึงแสดงการนับให้ขาดในระหว่างเพราะเมื่อนับหยุดต่ำกว่าห้าจิตตุ บ, บาตจะดิ้นรนอยู่ในโอกาสอันคับแคบเหมือนหมู่โคถูกขังไว้ในข้อแคบดิ้นรนอยู่ฉะนั้นแม้เมื่อนับเกินสิบขึ้นไปจิตตุ บ, บาตก็จะพะวงอยู่ในอาการนับนั้นเสีย เมื่อแสดงการนับให้ขาดในระหว่างจิตก็จะหวนไปว่ากรรมฐ า, านของเราจะถึงที่สุดหรือไม่หนอเพราะฉะนั้นพึงนับเว้นโทษเหล่านั้นเสียอธิบายวิธีนับช้าอันผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรเมื่อจะนับชั้นแรกควร น, นับด้วยวิธีนับช้า คือนับอย่างคนตวงเข้าเปลือกจริงอยู่คนตวงเข้าเปลือกตักเต็มทนานแล้วขานว่าหนึ่งแล้วจึงเทลงไปเมื่อตักอีกเห็นอยากเยืะ อ, อะไรอะไรแล้วหยิบทิ้งเสียจึงนับขานว่าหนึ่งหนึ่งในคาว่าสองสองเป็นต้นก็ในยะนี้แม้กุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียร น, นี้ ก็พึงกำหนดเอารมอสซาสะปัสสาสะที่ปรากฏแล้วกำหนดนับลมซึ่งเป็นไปอยู่เรื่อยเรนั่นแหละนับเริ่มตั้งแต่คำว่าหนึ่งหนึ่งจนถึงคำว่าสิบสิบฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเธอนับอยู่อย่างนั้นลมอสซาสะปัสสาสะที่ออกและเข้าอยู่ย่อมปรากฏ ครั้นกลุลระบุผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรพึงละวิธีนับช้าคือวิธีนับของคนตวงเข้าเปลือกนั้นเสียและนับด้วยวิธีนับเร็วคือวิธีนับของนายโคบาลจริงอยู่นายโคบาลผู้ฉลาดเอาก้อนกรวดใส่พกแล้วมือถือเชือกและท่อนไม้ไปยังคอกแต่เช้าตรู่ตีพวกโคที่หลังนั่งบนปลายเสาลิ่ม โยนก้อนกรวดไปแล้วนับเฉพาะแม่โคที่ถึงประตูแล้วว่าหนึ่งสองฝูงได้ที่อยู่ลำบากในโอกาสที่คับแคบตลอดราตรีสามยามเมื่อจะออกก็เบียดเสียดกันละกันออกไปเป็นกลุ่มๆโดยเร็วนายโคบานนั้นก็นับเร็วๆ เ, เหมือนกันว่าสามสี่ห้าจนถึงสิบันนั้นเหมือนกัน แม้เมื่อกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียร น, นี้นับอยู่โดยในยักก่อนลมอสซาสะปัสสาสะปรากฏแล้วยอมสัญจรเร็วๆถีขึ้นแต่นั้นเธอทราบว่าลมเดินถี่ขึ้นแล้วไม่พึงกำหนดเอาทั้งข้างในทั้งข้างนอกกำหนดเอาเฉพาะที่ถึงทวารเท่านั้นแล้วนับเร็วๆว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ในที่นี้อ่านให้ฟังเท่านั้นนะครับความเร็วจริงควรสอบถามกับพระผู้รู้อีกทีเพราะว่าในการมาฐานที่เนื่องด้วยการนับจิตจะมีแต่อารมณ์เดียวได้ก็ด้วยพลังแห่งการนับเท่านั้นดุดความหยุดของเรือในกระแสน้ำที่เชี่ยวจะมีได้ก็ด้วยอำนาจการค้ำไว้ด้วยทอฉะนนั้นเมื่อเธอนับเร็วๆอยู่อย่างนั้น กรรมฐานย่อมปรากฏเป็นประหนึ่งว่าเป็นไปหาระหว่างขั้นมิได้ครั้นเธอทราบว่าย่อมเป็นไปหาระหว่างขั้นมิได้ดังนี้แล้วไม่พึงกำหนดลมภายในและภายนอกแล้วนับเร็วๆโดยในยก่อนนั่นแหละด้วยว่าเมื่อเธอให้จิตเข้าไปพร้อมกับลมที่เข้าไปภายในอยู่จิตที่เป็นเหมือนถูกลมกระทบ และเหมือนเต็มไปด้วยมันค้นในภายในเมื่อเธอนำจิตออกไปพร้อมกับลมที่ออกไปภายนอกจิตย่อมจะใส่เป็นในอารมณ์มากหลายในภายนอกแต่เมื่อเธอตั้งสติไว้ที่อากาศอันถูกลมกระทบจะเจริญภาวนาอยู่นั่นแหละภาวนาย่อมสำเร็จได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าอันกุลบุตรผู้ริเริ่มบาเพ็ญเพียร ไม่พึงกำหนดลมภายในและภายนอกแล้วนับเร็วๆโดยในยะ ก, ก่อนนั่นแหลถามว่าก็ลมนั่นจะพึงนับเป็นนานเท่าไรแกว่าพึงนับไปจนกว่าเมื่อหยุดนับสติจะตั้งมั่นอยู่ได้ในอารมณ์คือลมอสาศสะปัสสะสะโดวยว่าการนับก็เพื่อกระทำการตัดความตรึก ที่สายไปในภายนอกเสี็แล้วตั้งสติมั่นไว้ในอารมณ์คือลมอสซาสะปัสสาสะอย่างเดียวอธิบายวิธีติดตามอันกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรกระทำไว้ในใจด้วยวิธีนับอย่างนี้แล้วพึงกระทำไว้ในใจด้วยวิธีติดตาม การเลิกนับสิแล้วส่งสติไปตามลมหายใจออกเข้าไม่มีระหว่างขั้นชื่อว่าการติดตามนั้นไม่พึงกระทำด้วยอํานาจการติดตามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพราะว่าสำหรับลมที่ออกไปภายนอกมีนาพีเป็นเบื้องต้นหัตัยเป็นท่ามกลางนาสิกเป็นที่สุดสำหรับลมที่เข้าไปภายใน มีปลายนาสิกเป็นเบื้องต้นหัยไทยเป็นถ้มกลางนาพีเป็นปลายก็เมื่อกุลบุตริเริ่มบำเพ็ญเพียรติดตามลมนั้นจิตที่ถึงความฟุ้งซ่านย่อมจะมีเพื่อความกระสับกระส่ายทีเดียวและเพื่อความวันไหวดังท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อภิกษุใช้สติติดตามเบื้องต้นกลางและปลายลมอัศสาสะปัสสาสะ กายก็ดีจิตก็ดีด้วยจิตที่ถึงความฟุ้งซ่านในภายในย่อมกระสับกระส่ายวันไว้ด้วยดิ้นรนด้วยเมื่อใช้สติไปติดตามต้นกลางและปลายลมปราสากายก็ดีจิตก็ดีด้วยทั้งจิตที่ถึงความฟุ้งซ่านไปในภายนอกย่อมกระสับกระส่ายด้วยวันไว้ด้วยดิ้นรนด้วยดังนี้ เพราะเหตุนั้นอันกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรเมื่อจะมาสิการโดยวิธีติดตามจึงไม่ควรมาสิกาด้วยต้นลมกลางลมและปลายลมอีกประการหนึ่งพึงมาสิการโดยวิธีพุทสนาและด้วยวิธีทัปปนา แท้จริงการมนสิการโดยวิธีพุทสนาและวิธีทัปปนาหาได้มีส่วนหนึ่งต่างหากดุดมนสิการโดยวิธีคันานาและอนุพันธนาไม่แต่เมื่อพระโยคาวจรนับอยู่ในฐานะที่ลมกระทบแล้วกระทบแล้วนั่นแหละชื่อว่ามนสิการโดยวิธีคันานาด้วยโดยวิธีพุทสนาด้วย เมื่อเลิกนับแล้วติดตามลมอัศสะปัสสะนั้นไปด้วยสติและเมื่อตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจอัปปนาในฐานะที่ลมกระทบกระทบนั้นนั่นแหละเรียกว่ามานาสิกาโดยวิธีอนุพันธนาด้วยโดยวิธีพุทนาด้วยโดยวิธีทัปปนาด้วยความนี้นั้นบัณฑิตพึงทราบโดยอุปมาด้วยคนง่อยคนเฝ้าประตู ที่กล่าวไว้ในอัธกถาทั้งหลายและโดยอุปมาด้วยเรื่อยที่กล่าวไว้ในปฏิสัมพิธาในสามอุปมานั้นข้อนี้เป็นอุปมาด้วยคนง่อยคือคนง่อยโลจิงช้าให้แก่มารดาและบุตรผู้เล่นชิงช้าอยู่นังที่โคนเสาชิงช้านั้นแหละย่อมเห็นที่สุดทั้งสองข้างและท้ำกลางแห่งแผ่นกระดานชิงช้า ที่แ ก, กว่งไกวไปมาอยู่โดยลำดับแต่ก็ไม่ได้ขวนขวายจะดูแลที่สุดทั้งสองและท่ามกลางแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันยืนที่โคนเสาอันเป็นที่ผูกด้วยอำนาจสติโลชิงช้าคือลมหายใจออกเข้านั่งอยู่ด้วยสติในนิมิตนั้นนั่นเองเมื่อส่งสติติด ต, ตามตั้งจิตไว้ตรงที่ลมกระทบนั้นนั่นแหละ ยอมเห็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของลมหายใจออกเข้าในฐานะที่มันแกว่งไปมากระทบอยู่โดยลำดับแต่จะเป็นผู้ขวนขวายเพื่อลาดูลมเหล่านั้นก็หาไม่ได้นี้เป็นอุปมาดังคนง่อยส่วนที่อุปมาด้วยคนเฝ้าประตูดังนี้คือ คนเฝ้าประตูไม่ตรวจตราดูแลพวกคนในเมืองและนอกเมืองถามว่าท่านเป็นใครหรือว่ามาแต่ไหนหรือว่าท่านจะไปไหนหรือว่าอะไรอยู่ในมือท่านเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของเขาเขาจะตรวจตราดูแลเฉพาะคนที่มาถึงประตูเท่านั้นแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ลมเข้าข้างในและลมออกข้างนอกไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของท่านท่านมีหน้าที่อยู่แต่เพียงกำหนดลมที่มาถึงช่องจมูกแล้วเท่านั้นนี้เป็นอุปมาดังนายประตูส่วนที่อุปมาด้วยเรื่อยพึงทราบตั้งแต่ต้นดังนี้สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่านิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่ง มิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเมื่อภิกษุไม่รู้ธรรมะทั้งสามภาวนาย่อมไม่เกิดนิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งมิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเมื่อภิกษุรู้ธรรมะทั้งสามภาวนาย่อมเกิดมีอธิบายอย่างไรมีอธิบายว่าธรรมะสามอย่างนี้ มิใช่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวกันแต่ธรรมะสามอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่พระโยคาวาจรจะไม่รู้ก็หาไม่ได้และจิตก็ไม่ถึงความฟุ้งซ่านปทานคือความเพียรย่อมปรากฏและพระโยคาวาจรก็ย่อมยังประโยคให้สำเร็จย่อมบรรลุคุณวิเศษได้เปรียบเหมือนไม้ที่เขาทิ้งไว้ที่พื้นดิน ร, บราบ บุดุษพึงเอาเลื่อยมาตัดมันสติของบุรุษนั้นย่อมปรากฏด้วยอำนาจฟันเลื่อยที่ถูกต้นไม้เธอก็ไม่ได้ใส่ใจถึงฟันเลื่อยที่ชักมาและชักไปแต่จะไม่รู้ฟันเลื่อยที่ชักมาและชักไปก็หาไม่ได้ทั้งความเพียรย่อมปรากฏทั้งเธอก็ยังความพยายามให้สำเร็จและเธอก็บรรลุคุณในวิเศษอีกด้วย นิมิต ท, ที่เขาเข้าไปผูกไว้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เขาทิ้งไว้ที่ภูมิภาคอันราบเรื่นลมหายใจออกเข้าเปรียบเหมือนฟันเลื่อยภิกษุนางตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากไม่ใส่ใจลมหายใจออกเข้าที่ผ่านมาหรือผ่านไปแต่จะไม่รู้ลมออกเข้าซึ่งผ่านมาหรือผ่านไปแล้วก็หาไม่ได้ ความเพียรก็ย่อมปรากฏทั้งเธอก็ย่อมยังความพยายามให้สำเร็จและบรรลุคุณวิเศษอีกด้วยเปรียบเหมือนบูรุษตั้งสติไว้ที่ฟันเลื่อยที่กระทบต้นไม้เธอไม่ใส่ใจถึงฟันเลื่อยซึ่งชักมาชักไปแต่จะไม่รู้ฟันเลื่อยซึ่งชักมาชักไปก็หาไม่ได้ความเพียรก็ปรากฏและเธอก็ยังความพยายามให้สาเร็จ และบรรลุผลพิเศษอีกด้วยฉันนั้นบทว่าปธานังถามว่าความเพียรเป็นชไหนคือทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้ปรารพความเพียรยอมเป็นของควรแก่การงานมีชื่อว่าความเพียรประโยคเป็นชไหน คืออุปกิเลตทั้งหลายภิกษุผู้ปรารบความเพียรละได้วิตกทั้งหลายย่อมสงบระงับนี้ชื่อว่าประโยคคุณวิเศษเป็นชไหนภิกษุผู้ปรารบความเพียรย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยทั้งหลายสุดสิ้นไปนี้เป็นคุณวิเศษ ธรรมะสามอย่างนี้มิได้เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวแต่ธรรมะสามอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่พระโยคาวจรจะไม่รู้หาไม่ได้วิตกไม่ถึงซึ่งความฟุ้งซ่านความเพียรย่อมปรากฏและพระโยคาวจรนั้นย่อมยังความพยายามให้สําเร็จบรรลุคุณวิเศษได้ด้วยประการชนี้ อาณาปานสติอันภิกษุใดบำเพ็ญด้วยดีเต็มที่แล้วสั่งสมแล้วโดยลำดับตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วภิกษุนั้น ย, ออย่อมยังโลกนี้ให้สว่างสวยัยเหมือนพระจันทร์พ้นจากหมอกฉายแสงอยู่ฉช น, นั้นแลนี้เป็นอุปมาด้วยเรื่อยก็ในที่นี้พระโยคาวจอนนั้นเพียงแต่ไม่มานาสิการด้วยอำนาจลมที่ผ่านมาและผ่านไป พึงทราบว่าประโยชน์สำหรับบางท่านเมื่อมณสิการกรรมฐานนี้นิมิตย่อมเกิดและทัปปนากล่าวคืออัปปนาอันประดับด้วยองค์ฌานที่เหลือจะสำเร็จโดยไม่ช้าเลยแต่สำหรับบางท่านเมื่อความกระวนกระวายสงบระงับลงด้วยอำนาจความดับไปแห่งลมอัศสาสะปัสสาสะ ที่หยาบโดยลำดับจำเดิมแต่การที่มนาสิกานโดยวิธีนับทั้งกายทั้งจิตย่อมเป็นสภาพเบาสรีระเป็นประหนึ่งถึงซึ่งอาการลอยอยู่บนอากาศเมื่อผู้มีกายกระสับกระสายนั่งบนเตียงหรือตังก็ตามเตียงตังย่อมโยกย่อมลั่นเครื่องลาดย่อมยับแต่เมื่อคนมีกายไม่กระสับกระสาย นั่งเตียงก็ไม่โยกไม่ลั่นเลยเครื่องลาดก็ไม่ยับเตียงต่างเป็นดังว่ายัดด้วยนุ่นเพราะเหตุไรเพราะกายที่ไม่กระสับกระส่ายย่อมเบาชันใดเมื่อความกระสับกระส่ายทางกายสงบระงับลงด้วยอํานาจความดับไปแห่งลมอสซาสะปัสสาสะที่หยาบโดยลําดับจําเดิมต่การที่มนาสิกานโดยวิธีนับ ทั้งกายทั้งจิตย่อมเบาสรีระเป็นประหนึ่งถึงซึ่งอาการลอยอยู่บนอากาศฉันนั้นเหมือนกันเมื่อลมอสซาสะปัสสาสะที่หยาบดับไปแล้วจิตของพระโยคาวจอนนั้นก็ยังมีนิมิตแห่งลมอสซาสะปัสสะสะที่ละเอียดเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่แม้เมื่อนิมิตนั้นดับแล้วจิต ด, ดวงต่อไป ก็ยังมีนิมิตลมปัสสะสะอัศสะสะที่ละเอียดกว่านั้นเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่เป็นอย่างไรบัณฑิตพึงทราบโดยในยะว่าเป็นเหมือนบุรุษเคาะกางสดานด้วยซี่โลหะใหญ่เสียงดังพึงเกิดขึ้นโดยการตีครั้งเดียวจิตของเขาพึงมีเสียงหยาบเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่เมื่อเสียงหยาบดับแล้วหลังจากนั้น จิตของเธอก็มีนิมิตแห่งเสียงที่ละเอียดเป็นอารมณ์แม้เมื่อนิมิตนั้นดับแล้วจิตดวง ต, ต่อไปของเธอก็ยังมีนิมิตแห่งเสียงละเอียดยิ่งกว่านั้นเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่ฉะนั้นสมจริงดังคาที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าเมื่อกังสดานถูกเคาะแล้วแม้ฉันใดดังนี้เป็นต้น ความพิสดารบัณดิตพึงกล่าวตามในยะปฏิสัมพิธามักเถิดอธิบายที่ต่างจากกรรมฐานอื่นจริงอยู่กรรมฐานนี้หาเป็นอย่างกรรมฐานอื่นๆซึ่งปรากฏชัดยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ส่วนกรรมฐานนี้ เมื่อเจริญสูงสูงยิ่งขึ้นไปก็ถึงเพียงความละเอียดแต่ไม่ถึงความปรากฏแต่เมื่อกรรมฐานนั้นไม่ปรากฏอย่างนั้นภิกษุนั้นก็อย่าพึ่งลุกจากที่นั่งสลัดท่อนหนังไปเสียถามว่าพึงทำอย่างไรแกว่าอย่าลุกไปด้วยคิดว่ารอจะถามท่านอาจารย์หรือด้วยเข้าใจว่า บัดนี้กรรมฐานของเราเสื่อมเสียแล้วเพราะเมื่อทำอิริยาบถให้กาเริบไปกรรมฐานก็จะกลายเป็นของใหม่ๆไปเท่านั้นเพราะเหตุนั้นเธอนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแหละพึงนำลมมาจากถิ่นที่เกิดวิธีปฏิบัติเพื่อนำคืน ในข้อนั้นมีอุบายเครื่องนำลมคืนดังต่อไปนี้ภิกษุนั้นรู้ภาวะคือความไม่ปรากฏแห่งพระกรรมฐานแล้วพึงพิจารณาดูดังนี้ว่าขึ้นชื่อว่าลมหายใจออกเข้านี้มีอยู่ที่ไหนไม่มีที่ไหนมีแก่ใครหรือไม่มีแก่ใครครั้นเมื่อเธอพิจารณาอย่างนั้นก็จะทราบได้ว่า ลมหายใจออกเข้านี้ไม่มีอยู่ภายในท้องของมารดานึงไม่มีแก่พวกคนที่ดำลงไปในน้ำหนึ่งไม่มีแก่พวกคนที่สลบหนึ่งแก่คนตายหนึ่งผู้เข้าจตุทัชานหนึ่งผู้ประกอบด้วยรูปประพบและอารูปประพบหนึ่งผู้เข้านิโรธหนึ่งฉะนี้แล้วพึงตักเตือนตนด้วยตนเองดังนี้ว่านี่เนะ่ะพ่อบัณฑิต ตัวเจ้ามิใช่ผู้อยู่ในท้องของมารดามิใช่ผู้ดำลงในน้ำมิใช่ผู้สลบมิใช่ผู้ตายแล้วมิใช่ผู้เข้าจตุถะฌานมิใช่ผู้ประกอบด้ยวยรูปประพบอารูปประพบมิใช่ผู้เข้านิโรธมิใช่หรือลมหายใจออกเข้าของเจ้ามีอยู่แท้แต่เจ้าไม่อาจกำหนดได้เพราะภาวะที่เจ้ามีปัญญาน้อยลำดับนั้น เธอพึงวางจิตไว้ตามที่ลมกระทบโดยปกติยังมนสิการให้เป็นไปก็ลมหายใจออกเข้าเหล่านี้สำหรับคนจมูกยาวกระทบกระพุ้งจมูกเป็นไปสำหรับคนจมูกสั้นกระทบริมฝีปากบนเป็นไปเพราะฉะนั้นเธอพึงตั้งนิมิตไว้ว่าลมกระทบที่ตรงนี้ จริงอยู่พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลจึงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานาสติภาวนาแก่คนที่หลงลืมสติไม่มีสัมปัตชัญญาจริงอยู่กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมสำเร็จแก่คนผู้มีสติสัมปัตชัญญาเท่านั้นก็จริง แต่ว่ากรรมฐานอื่นจากนี้เมื่อภิกษุมนาสิการไปมนสิการไปย่อมปรากฏส่วนอาณาปานาสติกรรมฐานนี้หนักการภาวนาก็หนักเป็นภูมิแห่งมนสิการแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าและพระพุทธบุตรทั้งหลายผู้เป็นมหาบุรุษเท่านั้นไม่ใช่การนิดหน่อยและไม่ใช่การที่สัตว์เล็กน้อยจะซ่องเสพได้ มันนาสิการไปด้วยประการใดๆก็ย่อมสงบและสุ ข, ขุมไปด้วยประการนั้นๆเพราะเหตุนั้นในกรรมฐานข้อนี้จำต้องปรารถนาสติและปัญญาอันกล้าแข็งเหมือนในเวลาชุนผ้าเนื้อเลี้ยงแม้เข็มก็ต้องใช้เข็มเล็กยิ่งได้ร้อยห่วงเข็มยิ่งต้องใช้เล็กกว่านั้นฉันใด ในเวลาเจริญกรรมฐานนี้อันเป็นเช่นผ้าเนื้อกเกลี้ยงก็จำต้องปรารถนาทั้งสติที่เปรียบด้วยเข็มทั้งปัญญาอันสัมปะยุตด้วยสติเปรียบด้วยได้ร้อยห่วงเข็มอันกล้าแข็งฉันนั้นเหมือนกันก็แลพิกสุผู้ประกอบด้วยสติปัญญานั้นไม่พึงสแสวงหาลมอัาศาสะปัสสะนั้นในที่อื่นจากที่ลมกระทบตามปกติ เหมือนชาวนาไถนาแล้วปล่อยโคผลิพัทําให้บ่ายหน้าไปสู่ที่หากินแล้วพึงนั่งพักอยู่ในร่มครั้นแล้วโคผลิพัดเหล่านั้นของเขาก็เข้าดงไปโดยเร็วชาวนาผู้ฉลาดใครจะจับมันมาเทียมแอกจะไม่ติดตามรอยเท้าโคเหล่านั้นเที่ยวด้านดงโดยที่แท้เขาจะถือเชือกลัประัก ตรงไปยังท่าที่โคเหล่านั้นลงไปทีเดียวนั่งหรือนอนอยู่ต่อ น, นั้นเขาเห็นฝูงโคเหล่านั้นที่มันเที่ยวตอนกลางวันแล้วลงสู่ท่าน้ำแช่และดื่มน้ำแล้วขึ้นมายืนอยู่จึงผูกด้วยเชือกแทงด้วยประตักจูงมาเทียมแอกทำงานอีกชั้นใดภิกษุนั้นก็ชั้นนั้นเหมือนกันไม่พึงสแสวงหาลมอสซาสะปัสสาสะนั้นในที่อื่น จากที่ที่ลมกระทบตามปกติแต่พึงถือเชื่อคือสติและปัจจักคือปัญญาตั้งจิตไว้ณที่ลมกระทบตามปกติอย่างมณสิการให้เป็นไปด้วยว่าเมื่อเธอมณสิการไปอย่างนี้ลมเหล่านั้นปรากฏไม่นานเลยดุจโคทั้งหลายปรากฏที่ท่าลงน้ําฉะนนั้นเธอพึงผูกไว้ด้วยเชื่อคือสติ เขี่ยไว้ที่ตรงนั้นแหละแทนด้วยประตักคืคอปัญญาประกอบด้วยกรร ม, มฐานไว้บ่อยๆนิมิตปรากฏต่างๆกันเมื่อเธอหมันประกอบอยู่อย่างนั้นไม่ช้านิมิตย่อมปรากฏอาจารย์บางพวกกล่าวว่าก็แลอาจารย์ทั้งปวง หามีนิมิตนี้นั้นเสมือนเป็นอันเดียวกันไม่สำหรับบางท่านปรากฏเหมือนปุยนุ่นก็มีเหมือนปุยฝ้ายก็มีเหมือนสายลมก็มีที่ยังสุขสัมผัสให้เกิดแต่วินิจฉัยในอัธกถาทั้งหลายมีดังนี้ก็นิมิตนี้สำหรับบางท่านปรากฏเหมือนดวงดาวเหมือนเม็ดมณีและเหมือนเม็ดไข่มุกดาก็มี บางท่านปรากฏเป็นสิ่งมีสัมผัสหยาบเหมือนเม็ดฝ้ายและเหมือนเม็ดเสี้ยนไม้แก่นก็มีบางท่านเหมือนสายสังวานยาวเหมือนพวงดอกไม้และเหมือนเปลวควันก็มีบางท่านเหมือนใยแมงมุมที่ขึงแล้วเหมือนกลีบเมฆเหมือนดอกประทุมเหมือนล้อรถเหมือนวงพระจันทร์และเหมือนวงพระอาทิตก็มีก็แล กรรมฐานนี้นั้นก็อย่างเดียวกันนั่นแลย่อมปรากฏต่างๆกันเพราะภาวะที่พระโยคาวจรมีสัญญาต่างๆกันเปรียบเหมือนเมื่อภิกษุมากรูปนั่งสาธยายพระสูตรกันอยู่เมื่อรูปหนึ่งถามขึ้นว่าสูตรนี้ปรากฏแก่ท่านทั้งหลายเป็นเช่นไรภิกษุรูปหนึ่งก็บอกว่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า เป็นเหมือนแม่น้ำใหญ่ที่ไหลออกจากภูเขาอีกรูปหนึ่งบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าเหมือนแนวป่าอันหนึ่งรูปหนึ่งบอกว่าสาหรับข้าพเจ้าเหมือนต้นไม้ที่เต็มไปด้วยพวงผลสมบูรณ์ไปด้วยกิ่งก้านมีร่มเงาเยือกเย็นจริงอยู่พระสูตรนั้นก็สูตรเดียวนั่นแหละปรากฏแก่เธอทั้งหลายต่างๆกัน เพราะภาวะที่เธอทั้งหลายมีสัญญาต่างกันฉะนั้นเพราะกรรมฐานนี้เกิดจากสัญญามีสัญญาเป็นเหตุมีสัญญาเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าย่อมปรากฏได้ต่างๆกันเพราะสัญญาต่างกันก็ในกรรมฐานนี้จิต ท, ที่มีลมหายใจออกเป็นอารมณ์ก็เป็นดวงหนึ่ง จิตที่มีลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์ก็เป็นดวงหนึ่งจิตที่มีนิมิตเป็นอารมณ์ก็เป็นดวงหนึ่งแท้ก็ผู้ใดไม่มีธรรมะสามประการ น, นี้กรรมฐานของผู้นั้นย่อมไม่ถึงอัปปนาไม่ถึงอุปจาระเลยทีเดียวแต่ผู้ใดมีธรรมะสามประการ น, นี้กรรมฐานของผู้นั้นนั่นแหละ ย่อมถึงอุปจาระและอัปปนาสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่านิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งมิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียวเมื่อภิกษุไม่รู้ธรรมะสามประการภาวนาย่อมเกิดไม่ได้นิมิตหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งม่ใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว เมื่อภิกษุรู้ธรรมสามประการนี้ภาวนาย่อมเกิดได้อันดับแรกพระธีฆาพานกาจาร์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่าก็เมื่อนิมิตปรากฏอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นพึงไปหาอาจารย์แล้วเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อว่าอารมณ์เห็นปานนี้ปรากฏแก่กระผมแต่อาจารย์ไม่ควรบอกว่า นั่นคือนิมิตหรือไม่ใช่นิมิตพึงบอกว่าเป็นอย่างนั้นแหละอาวุโสแล้วกล่าวว่าเธอจงมานสิกาอย่างนั้นบ่อยๆเถิดเพราะเมื่ออาจารย์บอกว่านั่นเป็นนิมิตเธอจะหยุดพักเสียเมื่อบอกว่านั่นไม่ใช่นิมิตเธอจะหมดหวังเศร้าใจเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงไม่ควรบอกทั้งสองอย่าง แต่คงแนะนําให้การใส่ใจเท่านั้นส่วนพระมชิมะพานกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพระโยคาวจรนั้นเป็นผู้ที่อาจารย์ควรบอกว่านี่นิมิตละอุโสเธอจงมณสิการกรรมฐานบ่อยๆเข้าเถิดพ่อคนดีลำดับนั้นพระโยคาวจรนั้น พึงตั้งจิตไว้ที่นิมิตนั่นแหละโดยประการดังกล่าวแล้วจำเดิมต่นี้ไปภาวนาของเธอนี้ย่อมปรากฏด้วยอำนาจธรปปนาสมดังคําที่พระโบราณอาจารย์กล่าวว่าพระโยคาวจรผู้ทรงปัญญาตั้งจิตไว้ในนิมิตอย่างอาการต่างๆในลมหายใจออกลมหายใจเข้าให้แจ่มแจ้งจึงจะชื่อว่า ผูกจิตของตนไว้ดีจำเดิมแต่นิมิตปรากฏแล้วอย่างนี้เป็นอันชื่อว่าเธอข่มนิวรณทั้งหลายได้แน่แท้กิเลสทั้งหลายย่อมสงบนิ่งสติก็ปรากฏเด่นชัดจิตย่อมตั้งมัน่นด้วยอุปจารสมาธิเป็นแท้ลำดับนั้นเธอไม่พึงใส่ใจนิมิตโดยสี ยาพิจารณาโดยลักษณะแต่จำต้องเว้นอสัพ ป, ปายะเจ็ดอย่างมีอาวาสเป็นต้นแล้วเสพสัพพายะเจ็ดอย่างมีอาวาสเป็นต้นเหล่านั้นแลรักษาไว้ให้ดีดังพระคติยะมะเหสีรักษาพระคันที่เกิดแต่พระเจ้าจักรพรรดิและดังชาวนาวรักษาท้องข้าวสาลีและข้าวเหนียวฉะนั้น รั้นเธอรักษานิมิตนั้นไว้อย่างนี้แล้วพึงทำให้ถึงความเจริญงอกงามโดยวิธีมนาศิการบ่อยๆแล้วบำเพ็ญอั ป, ปนาโกศลสิบประการให้พร้อมมูลประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอเมื่อเธอพยายามอยู่อย่างนี้จะตุททะชานหรือปัญจมะชานจะเกิดขึ้นในนิมิตนั้นโดยลำดับดังกล่าวแล้วในปัทวีกสินนั่นแหล วิธีกำหนดนามรูปก็ภิกษุทำฌานสี่และฌานห้าให้บังเกิดแล้วอย่างนี้ประสงค์จะเจริญกรร ม, มฐานด้วยสามารถแห่งสันลักษณนาคือวิปัสนาและวิวัตนาคือมรรคและบรรลุความบริสุทธิ์คือผลในอาณาปานาสติภาวนานี้ย่อมทรรมฌานนั้นแลให้ถึงภาวะเป็นวสี ด้วยอาการห้าให้คล่องแคล่วแล้วกำหนดนามรูปเริ่มตั้งวิปัสสนาอย่างไรเพราะพระโยคาวจรนั้นออกจากสมาบัติแล้วย่อมเห็นได้ว่ากระชกายและจิตเป็นแดนเกิดแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าเปรียบเหมือนอย่างว่าอาศัยหลอดแห่งสูกของนายช่างทองที่กำลังพ่นอยู่ และความพยายามอันเหมาะสมแก่หลอดสูบนั้นของบุรุษลมจึงสัญจรไปได้ฉันใดลมหายใจออกและลมหายใจเข้าก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องอาศัยกายและจิตจึงสัญจรไปได้ลำดับนั้นประโยคาวจรย่อมกำหนดลมหายใจออกเข้าและกายว่าเป็นรูป และกําหนดจิตละธรรมะอันสัมปยุตกับจิตนั้นว่าเป็นนามนี้เป็นความสังเขปในการกําหนดนามรูปซึ่งจักมีแจ้งข้างหน้าครั้นกําหนดนามรูปอย่างนี้แล้วจึงสแสวงหาปัจจัยของนามรูปนั้นและเมื่อสแสวงหาก็เห็นนามรูปนั้นปราบรบความเป็นไปแห่ง น, นามรูปข้ามความสงสัยในการทั้งสามเสียได้ เป็นผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยพิจารณาเป็นกลาปะละวิปัสณูปกิเลสิประการมีโอภาษเป็นต้นอันเกิดขึ้นในส่วนเบื้องต้นแห่งอุทยพยานุปัสนาญาณกำหนดปฏิปทาญาณอันพ้นจากอุปกิเลสแล้วว่าเป็นมักละนามรูปที่เกิดขึ้น บรรลุการตามเห็นความดับแห่งนามรูปแล้วเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงที่ปรากฏด้วยความเป็นของน่ากลัวเพราะเห็นแต่นามรูปที่ดับไปหาระหว่างขั้นมิได้บรรลุอริยามรรสีตามลำดับดํารงอยู่ในอรหัตผลถึงที่สุดแห่งปัจจเวกขณะยานส9เกประการ เป็นพระทักินยะผู้เลิศของโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ด้วยอันดับคำเพียงเท่านี้เป็นอันจบการเจริญอาณาปานสติสมาธิแห่งพระโยคาวจร น, นั้นนับตั้งต้นแต่การนับจนมีวิปัสนาเป็นที่สุดฉนี้แลนี้เป็นการพน า, นาจตุกะกที่หนึ่งโดยอาการทั้งปวง ส่วนในฝ่ายจตุกะทั้งสามเพราะเหตุที่ชื่อว่าในยะแห่งการเจริญกรรมฐานอีกแผนกหนึ่งไม่มีฉะนั้นพึงทราบความแห่งจตุกะทั้งสามเหล่านั้นนั่นแหละตามในยะแห่งการพนานาตามลำดับบทนั่นแหละอธิบายจตุกะที่สองบทว่าปีติปฏิสังเวที แปล ว, ว่าภิกษุสำเนียกว่าเราจักทำปีติให้เป็นอันตนรู้แจ้งแล้วคือทำให้ปรากฏแล้วหายใจออกหายใจเข้าในข้อนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าปีติย่อมเป็นธรรมชาติอันพระโยคาวจรรู้แจ้งแล้วโดยอาการสองอย่างคือโดยอารมณ์หนึ่งโดยการไม่หลงลืมหนึ่งถามว่า ปีติเป็นธรรมชาติอันภิกษุรู้แจ้งแล้วโดวยอารมอย่างไรแกว่าภิกษุเข้าฌานสองที่มีปีติปีติย่อมเป็นธรรมชาติอันภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้วโดวยอารมด้วยการได้เฉพาะซึ่งฌานในขณะแห่งสมาบัติเพราะอารมณ์ท่านรู้แจ้งแล้วโดยไม่หลงลืมเป็นอย่างไรคือครั้นเธอเข้าฌานสองที่มีปีติออกแล้ว พิจารณาเห็นปีติที่สัมประยุทธ์ด้วยฌานโดยความสิ้นไปเสื่อมไปปีติก็เป็นอันชื่อว่าเธอรู้แจ้งแล้วโดยไม่หลงลืมเพราะรู้ลักษณะในขณะที่เห็นด้วยวิปัสนาปัญญาสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาว่าเมื่อภิกษุรู้ชัดซึ่งภาวะแห่งจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งความหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมัน่นปีตินั้นเป็นอันเธอรู้แจ้งแล้วด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นเมื่อภิกษุรู้แจ้งอยู่ซึ่งภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุง้งซ่านด้วยอำนาจความหายใจออกยาวด้วยอำนาจความหายใจเข้าสัน้นด้วยอำนาจหายใจออกยาว ด้วยสามารถรู้แจ้งกายทั้งสิ้นหายใจออกหายใจเข้าด้วยอำนาจทำกายสังขารให้สงบหายใจออกเข้าสติย่อมตั้งมั่นปีติเป็นธรรมชาติที่เธอรู้ได้ชัดด้วยสตินั้นด้วยปัญญานั้นเมื่อภิกษุรำพึงถึงอยู่เห็นอยู่ปัจจเวกขณะอยู่อธิษฐานจิตอยู่น้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาอยู่ ประคองความเพียรอยู่ยังสติให้ตั้งมั่นอยู่เริ่มตั้งจิตมั่นรู้ชัดอยู่ด้วยปัญญารู้ยิ่งอยู่ซึ่งสิ่งที่ควรรู้ยิง่งละสิ่งที่ควรละทำให้เกิดสิ่งที่ควรทำให้เกิดทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งปีตินั้นก็เป็นสิ่งที่เธอรู้แจ้งด้วยประการชนีแม้บทที่เหลือ บัณฑิตพึงทราบด้วยความตามนัยยะนั้นนั่นแลแต่ในที่นี้มีความแปลกกันดังนี้คือพึงทราบภาวะที่ภิกษุรู้แจ้งซึ่งสุขด้วยอำนาจแห่งฌานสามพึงทราบภาวะที่ภิกษุรู้แจ้งซึ่งจิตตสังขารด้วยอำนาจแห่งฌานทั้งสี่บทว่าจิตตสังขารโรได้แก่ขันสอง มีเวทนาขันเป็นต้นก็ในบรรดาบททั้งสองนี้บทว่าสุขะปฏิสังเวทีท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธาเพื่อแสดงภูมิแห่งวิปัสนาว่าสุขในบทว่าสุขขังนี้มีสองอย่างคือสุขทางกายหนึ่งสุขทางจิตหนึ่งบทว่าปฏิสัมภยัง จิตตสังขารังความว่าระ ง, งับคือดับจิตตสังขารที่หยบๆยาแต่เมื่อว่าโดยพิสดารความดับจิตตสังขาร น, นั้นพึงทราบโดยในยะที่กล่าวแล้วในกายสังขา น, นั่นแหลอนหนึ่งในบทเหล่านั้นบทว่าปีติท่านกล่าวถึงเวทนาโดยยกเวทนาขึ้นเป็นประธาน ในบทว่าสุขท่านกล่าวเวทนาโดยสรุปนั่นเองในบทว่าจิตตสังขารทั้งสองบทพึงทราบว่าท่านกล่าวเวทนาที่สามประยุทธ์ด้วยสัญญาเพราะพระบาลีว่าสัญญาและเวทนาเป็นเจตสิกธรรมะเหล่านั้นนับเนื่องกับจิตจัดเป็นจิตตสังขารดังนี้แหละ บันดิตพึงทราบว่าจตุกะนี้ทรงตรัสโดยนัยยะแห่งเวทนานุปัสนาด้วยประการชนีอธิบายจตุกะที่สามแม้ในจตุกะที่สามพึงทราบภาวะที่ภิกษุกำหนดรู้จิตด้วยอำนาจฌานสีบทว่า อภิปโมทยังจิตตังความว่าภิกษุสำเนีกว่าเราจักยังจิตให้บันเทิงให้ปลืม้มให้ร่าเริงให้เบิกบานให้ใจออกหายใจเข้าในบทเหล่านั้นการบันเทิงยิ่งย่อมมีด้วยอาการสองอย่างคือด้วยอำนาจสมาธิหนึ่งด้วยวิปัสนาหนึ่งถามว่า บันเทิงด้วยสมาธิอย่างไรแก้ว่าภิกษุเข้าฌานสองมีปีติเธอยังจิตให้บันเทิงให้ปลื้มด้วยปีติอันสัมปยุตด้วยธรรมะในขณะเข้าฌานบันเทิงด้วยวิปัสสนาอย่างไรคือภิกษุครันเข้าฌานสองอันมีปีติออกแล้วพิจารณาปีติ อันสัมปยุตด้วยฌานโดยความสิ้นไปเสื่อมไปเธอทำปีติอันสัมปยุตด้วยฌานให้เป็นอารมณ์อย่างจิตให้บันเทิงให้ปลื้มอยู่ในขณะแห่งวิปัสนาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่าสำเนีกว่าเราจักยังจิตให้บันเทงยิ่งหายใจออกหายใจเข้าบทว่าสมาหิตังจิตตัง ความว่าดำรงจิตให้เสมอคือตั้งจิตให้เสมอในอารมณ์ด้วยอำนาจปฐมฌานเป็นต้นก็หรือว่าเมื่อเข้าฌานเหล่านั้นออกแล้วพิจารณาจิตอันสัมปยุต ด, ด้วยฌานโดยความสิ้นไปและความเสื่อมไปอยู่คณิกะจิตเตกัคตาภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งอยู่ชั่วขณะยอมเกิดขึ้น เพราะรู้แจ้งลักษณะไตรลักษณ์ในขณะวิปัสนาภิกษุดำรงจิตเสมอคือตั้งจิตให้เสมอในอารมณ์แม้ด้วยอำนาจคณิกะจิตเตกัขะตาอันเกิดขึ้นอย่างนั้นท่านเรียกว่าสำเนียกอยู่ว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกหายใจเข้าบทว่า วิโมทยังจิตตังความว่าภิกษุปลดเปลื้องจิตจากนิวรณ์ทั้งหลายด้วยปฐมฌานปลดเปลื้องจิตจากวิตกวิจารด้วยทุติยะฌานปลดเปลื้องจิตจากปีติด้วยตติยะฌานปลดเปลื้องจิตจากสุขทุกข์ด้วยจตุทาาัฏฐฌานก็หรือว่า ภิกษุเข้าฌานเหล่านั้นออกแล้วพิจารณาจิตที่สัมปยุตด้วยฌานโดยความสิ้นไปและเสื่อมไปในขณะแห่งวิปัสนาเธอปลดเรื่องจิตจากนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสนาปลดเรื่องจิตจากสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสนาจากอัตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสนา จากนันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนาจากราคะด้วยวิราคะนุปัสสนาจากสมุ ท, ทยัยด้วยนิโรธานุปัสสนาจากอธาธนะด้วยปฏินิสักานุปัสสนาหายใจออกหายใจเข้าเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าสำเนียกว่าเราจักเปลืองจิตหายใจออก หายใจเข้าพึงทราบว่าจตุ ก, กะนี้ทรงตรัสโดยเป็นจิตตานุปัสสนาด้วยประการชนนี้อธิบายจตุ ก, กะที่สี่อา น, นิจจานุปสัสสีส่วนในจตุ ก, กะที่สี่ในบทว่า อนิจจานุปัสสีนี้มีวินิจัยดังต่อไปนี้อันดับแรกพึงทราบอานิจจพึงทราบอานิจจตาพึงทราบอานิจจานุปัสสนาพึงทราบอานิจจานุปสัสสีในบทเหล่านั้นบทว่าอานิจจังได้แก่ขันห้าเพราะเหตุไรเพราะขันห้าเหล่านั้นมีความเกิดขึ้นดับไป และกลายเป็นอย่างอื่นเป็นสภาวะบทว่าอนิจจตาได้แก่ภาวะที่ขันห้าเหล่านั้นนั่นแหละมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วกลายเป็นอย่างอื่นหรือมีแล้วกลับไม่มีอธิบายว่าขันห้าเหล่านั้นบังเกิดแล้วไม่ตั้งอยู่โดยอาการนั้นนั่นแหละ แล้วแตกไปโดยความดับไปชั่วขณะบทว่าอนิจจานุปัสสนาได้แก่ตามเห็นว่าไม่เที่ยงในขันห้ามีรูปเป็นต้นด้วยสามารถแห่งสภาวะไม่เที่ยงนั้นบทว่าอนิจจานุปัสสีได้แก่ผู้ประกอบด้วยอนุปัสสนานั้น เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นหายใจออกหายใจเข้าพึงทราบว่าชื่อว่าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ตามเห็นในรูปนามนี้ว่าไม่เที่ยงหายใจออกหายใจเข้าพึงทราบจาตุ ก, กะที่สีน่นี้ด้วยสามารถแห่งจิตตานุปัสสนา อธิบายวิราคานุปัสสีนิโรธานุปสัสสีก็วิราคะในบทว่าวิราคานุปัสสีนี้มีสองอย่างคือขยะวิราคะหนึ่งอ จ, จันตะวิราคะหนึ่งในวิราคะสองอย่างนั้นคําว่าขยะวิราคะได้แก่ความดับไปทุกขณะ แห่งสังขาญทั้งหลายคำว่าอจจันตวิราคะได้แก่พระนิพพานคำว่าวิราคานุปัสสนาได้แก่วิปัสสนาละมรรคอันเป็นไปด้วยอำนาจวิปัสสนาสองนั้นภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุปัสสนาสองอย่างนั้นหายใจออกหายใจเข้าพึงทราบว่า สำเนียกว่าเราจักตามเห็นวิราคะหายใจออกหายใจเข้าแม้ในบทว่านิโรธานุปสัสสีก็ในยะนี้เหมือนกันอธิบายปฏินิสักานุปสัสสีคำว่าปฏินิสักาแม้ในบทว่า ปตินิสักานุปัสสีนี้มีสองอย่างคือปริจาคะปฏินิสักะหนึ่งปักขันธะนปฏินิสักะหนึ่งอนุปัสนาคือปฏินิสักะชื่อว่าปตินิสักานุปัสนาคานี้เป็นชื่อของวิปัสนาและมักจริงอยู่วิปัสนาท่านเรียกว่า ริจาคะปฏินิสัคคะเพราะสลัดเสียซึ่งกิเลส ท, ทั้งหลายพร้อมด้วยขันธาพิสังขารด้วยอำนาจต่ทังฆาปารานและท่านเรียกว่าปักขันธะนปฏินิสัคคะเพราะแล่นไปในพระนิพพานอันผิดตรงกันข้ามกับกิเลสนั้นโดยภาวะเป็นที่น้อมไปในพระนิพพานนั้นโดยเห็นโทษในสังขตธรรม ส่วนมร์ท่านเรียกว่าปริจาคะปฏินิสักคะเพราะสละซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมด้วยขันธาพิสังขารด้วยอำนาจสมุเทเฉทประหารและท่านเรียกว่าปักขันธะนปฏินิสักคะเพราะแล่นไปในพระนิพพานโดยทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ดังนี้ ก็วิปัสนาญาณและมัคคยานทั้งสองท่านเรียกว่าอนุปัสนาเพราะตามเห็นญาณก่อนๆภิกษุผู้ประกอบด้วยปฏินิสักคาอนุปัสนาทั้งสองอย่างนั้นหายใจออกและหายใจเข้าอยู่พึงทราบว่าชื่อว่าสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้ตามเห็นการสละคืนหายใจออกหายใจเข้า จตุกะที่สี่นี้ตรัสโดยวิปัสนาล้วนส่วนสามจตุกะข้างต้นตรัสโดยเป็นสมถะและวิปัสนาบัณฑิตพึงทราบการเจริญอาณาปานสติมีวัตถุสิบหกโดยจดตุกะอย่างละสี่หมวดด้วยประการชนี้และอาณาปานสตินี้โดยว่าตามวัตถุสิบหกอย่างย่อมมีผลมาก มีอานิสงฆ์มากด้วยประการชนนี้อานิสงฆ์อาณาปานาสติในอานิสงฆ์แห่งอาณาปานาสตินั้นพึงทราบอาณาปานาสตินั้นว่ามีอานิสงฆ์มากแม้ด้วยสามารถเป็นภาวะสงบเป็นต้นโดยพระพุทธพจน์ว่า ภิกษุทั้งหลายแม้อานาปานาสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมะสงบและปราณีต ด, ดังนี้เป็นต้นบ้างโดยความเป็นธรรมะสามารถในอันตัดขาดซึ่งวิตกบ้างจริงอยู่อานาปานาสติสมาธินี้เพราะเป็นธรรมะสงบปราณีตเยือกเย็นและอยู่เป็นสุข จึงตัดความวิ่งพลานไปข้างน้้นข้างนี้แห่งจิตด้วยอำนาจวิตกทั้งหลายอันเป็นตัวทำอันตรายแก่สมาธิเสียได้แล้วทาจิตให้มุ่งหน้าต่ออารมณ์คือลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอาณาปานาสติภิกษุพึงบาเพ็ญเพื่อตัดเสียซึ่งวิตกดังนี้ อนนัภาวะที่อาณาปณะสตินั้นมีอานิสงฆ์มากบัณฑิตพึงทราบแม้ด้วยความเป็นมูลแห่งการทำวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์สมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปณะสติอันภิกษุอบรมแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังสติปัฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฐานสี่ อันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอย่างโพชฌงเจดให้บริบูรณ์โพชฌงเจดอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอย่างวิชาลวิมุตให้บริบูรณ์ดังนี้อีกอย่างหนึ่งภาวะที่อาณาปานาสตินั้นมีอนิสง์มากพึงทราบแม้โดยการกระทาความรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้า ครั้งสุดท้ายให้ปรากฏชัดสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าราหุลเมื่ออาณาปานสติอันภิกษุทำให้เจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้และแม้ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าอันเป็นครั้งสุดท้ายอันภิกษุทราบก่อนแล้วจึงดับไปอย่างไม่ทราบชัดหาดับไปไม่ดังนี้ ในลมเหล่านั้นเมื่อว่าโดยการดับลมหายใจออกเข้าที่เป็นครั้งสุดท้ายมีอยู่สามคือที่มีในที่สุดด้วยอํานาจพบที่มีที่สุดด้วยอํานาจฌานที่มีที่สุดด้วยอํานาจจุติก็ในบรรดาพบทั้งหลายลมหายใจออกลมหายใจเข้าย่อมเป็นไปในกามาพบหาเป็นไปในรูปประพบและอรูปประพบไม่เพราะฉะนั้น ลมเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีในครั้งสุดท้ายแห่งพบในบรรดาฌานลมหายใจออกลมหายใจเข้าย่อมเป็นไปในฌานสามข้างต้นหาเป็นไปในฌานที่สี่ไม่เพราะฉะนั้นลมเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีในครั้งสุดท้ายด้วยอํานาจฌาน ส่วนลมหายใจออกลมหายใจเข้าเหล่าใดเกิดขึ้นพร้อมกับจิตขณะที่สิบหกข้างหน้าแต่จุติจิตแล้วดับพร้อมกับจุติจิตลมเหล่านั้นชื่อว่ามีในครั้งสุดท้ายโดยจุติจิตลมซึ่งมีในครั้งสุดท้ายโดยจุติจิตนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระประสงค์เอาว่าเป็นครั้งสุดท้ายในพระสูตรนี้เล่ากันมาว่า เพราะภาวะที่ภิกษุผู้มันประกอบกรรมฐานนี้กำหนดอารมณ์แห่งลมหายใจออกเข้าด้วยดีแม้ความเกิดขึ้นแห่งลมเหล่านั้นก็ปรากฏแก่เธอผู้รำพึงถึงความเกิดขึ้นในอุ ป, ปาทขณะแห่งจิตดวงที่สิบหเบื้องหน้าแต่จุติจิตเมื่อเธอรำพึงถึงทิฏฐิขณะแห่งจิตแม้ทิฏฐิขณะแห่งลมเหล่านั้นก็ปรากฏ เมื่อรำพึงถึงความดับแม้พังคะขณะแห่งลมเหล่านั้นก็ย่อมปรากฏจริงอยู่เมื่อภิกษุเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจากกรรมฐานนี้แล้วไม่บรรลุพระอระหันต์ย่อมกำหนดระยะการแห่งอายุได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เมื่อเจริญอาณาปานสติมีวัตถุสิหนี้แล้วได้บรรลุพระอระหันต์ ย่อมกำหนดระยะการได้แท้ภิกษุผู้เจริญอาณาปานสติได้บรรลุพระอรหันต์นั้นรู้ว่าบัดนี้อายุสังขารของเราจะเป็นไปได้เพียงเท่านี้ไม่เลยกว่านี้ไปดังนี้แล้วทากิจทั้งปวงมีการชาระร่างกายและการนุ่งห่มเป็นต้นตามธรรมดานั่นแหละแล้วหลับตาดังพระติดสะเทระ วัดโกติบันพดวิหารดังพระมหาติสสะเทระวัดมหาการาัญญายวิหารดังพระบินทปาติกะติสสะเทระในเทวัุตรัฐและดังพระเทระสองพี่น้องวัดจิตตะบันพดวิหารฉะนั้นคำแสดงเรื่องเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องแห่งพระเทระเหล่านั้นดังนี้เล่ากันมาว่า บรรดาพระเทรรสองพี่น้องพระเทระรูปหนึ่งลงปฏติโมกในวันเพนอโบสดแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์ไปยังที่อยู่ของตนยืนหน้าที่จงกรมและดูแสงจันทร์ใครครวนดูอายุสังขารของตนกล่าวกับมูภิกษุสงฆ์ว่าท่านทั้งหลายเคยเห็นภิกษุผู้ปรินิพานด้วยอาการอย่างไรในภิกษุเหล่านั้น บางพวกกล่าวว่าพวกเราเคยเห็นนั่งที่อาสนะนั่นเองปริณิพานบางพวกกล่าวว่าพวกเราเคยเห็นนั่งคูบันลังในอากาศพระเถระจึงกล่าวว่าบัดนี้เราจะแสดงภิกษุผู้กําลังจงกรมนั่นแหละปริณิพานแก่ท่านทั้งหลายลําดับนั้นก็ทํารอยขีดไว้ในที่จงกรมแล้วกล่าวว่า เราเดินไปจากที่สุดที่จงกรมนี้สู่ที่จงกรมอีกข้างหน้าแล้วกลับมาพอถึงรอยนี้จากปารินิพานดังนี้แล้วลงสู่ที่จงกรมไปถึงส่วนข้างหน้าแล้วกลับมายอมปรินิพานในขณะเท้าข้างหนึ่งเหยียบรอยนั่นเองเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงเป็นผู้ไม่ประมาทประกอบด้วยอาณาปานาสติ อันมีอ น, นิสงส์งมากมายถึงอย่างนี้ในการทุกเมื่อเทินนี้เป็นกราถากอย่างพิสดารในอาณาปานาสติ